เอาร่างกายของเขานนั้นให้เป็นมูลค่าบิดามาดาของเราเป็สร้า ง, งเป็นต้นทุนเพนื่จะให้มาเป็นมูล น, นายก่อเกิดทาเป็นเครื่องประดับเอาศีลธรรมประดับเขา้าแวดชดเชยและใช้มือมือคนของท่านคนในภูวกนั้นลิดามาดาเคยวูฒิญาติใหญ่เลยธาตุมนุคนั่นนั้นที่ให้อัตภาพของเรามานเลย เป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราเป็นของเขาเราอาศัยเขาอันนั้น ท, ทุกลายไปทุกอย่างไปเขาอะไรก็ตามเมือที่อาหารการอยู่กัรกินเราอาศัยเขาเราอาศัยเพื่อสัตว์ที่อยู่เราเป็นคู่กันไปเปงทัู้ที่ให้ความสนับสนุจจนแยกกิจแก่กันและกันเป็นภาพล้วนของนักปา่า ผู้ดำกิจกาเกิดมาจากมูสัตว์เพื่อนสัตว์จะทำหรือต่อไปไม่ให้เป็นคิดเป็นทไทยแก่กันทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่จะเอาหน้าที่การงานและผลงานของเราไม่ประสบกับความสำเร็จสิ่งใดที่เราปรารถนานั้นกว่าเป็นบ่อนที่เราจะ มีจากกองทุขงกข์และความทุกข์ในใจนะทุกอะไรก็ตามทุกกายทุกจิบทุกใจทุกเหน็ดเหนื่อยเมื่อละที่พ้อนทุกหนาวก็เป็นทุกอย่างนี้คป็ธรรมชาติแต่พระระยะพูดไม่ประมาณเพราะองค์ท่านสอนว่าเราจะยึดบททานิทานรู้หมด จะเอาคุณงามความดีเอ้พวกแกเห็นจริงไปเอาประทำให้มองไปที่ในจิตจากการหน้าที่การงานหรือหนทางดีชั่วประการใดจะทําให้เิดใจรู้เห็นเพื่อขยันนายจิตหน้าที่การงานา น, า น, านั้นจะได้จะถึกหรือไม่ได้ไม่ถึกเพราะอสระของพระเจ้าและความรู้ดี ที่เราเราปราถนาเป็นดีนะเป็นดีชาตินี้ในชาตินี้เพื่อนคนไม่รช่เพื่อนอาญาเนั้นนะทานที่ผ่านพ้นไปแล้วบอกคนผู้สมรสนักแบบพุทธปฏิบัติทางขัดวัย้อนท่อต่อสิบนะนะผู้ตายผ่านเจ็บความเจ็บเจ็บก็ได้รู้สึกมาเจ็บแก่ก็ได้รู้สึกมาแก่ เกิดมาโดนก็ต้องเจตีเดียนเวลาหรือผ่านวันผ่านคืนไปทานไปเรื่อยเวลานั้นเราทำอะไรวะทำดีแค่ไหนทำชั่วแค่ไหนเราสะอาจจะสบายไม่ต่างน่าจะทำที่จะให้เวลาและเสียหายไปมากมวลหมู่สัตว์มนุษย์นี้เพราะว่ามีการที่ยุ่งในการเชิงนั้น ความอยากเพราะอยากได้่านั้นราบหนึ่งยศหนึ่งนี้เขาเหล่านั้นก็อาจจะมาีมการยุ่งยากเพราะความปรารถนาไม่สมบูรณ์จะยากกับความอยากความอยากนั้นอาจจะเป็นพื้นฐานหนึ่งบาปทำให้ไม่ใช่คนทำอยากจะโศกแก่ว่าเราไม่ทำมารู้เพิ่งไม่ไม่รู้เหตุผลนั่นน่ะอยากอย่างนี้ก็คือว่าเป<อ>็นอยากทุกไม่เป็น อ, อยากได้ดีที่เราจะเอาสมถันร่างกายนี้มาบหมายและบูชาพราพุทธจ้าผูเป็นเจ้าของาศาสนาพระองค์นั้นที่ปรินิพานไปแล้วอันใดที่พระธรรมท่านพระจอมใจแะวางไว้นั้นหนึ่พระสูต ร, รก็าตามพระวินัยก็ตามพระวินัยคือสิ่สมาธิประเด็นยาถ้าปรมัติ์นั้นพูดถึงที่ว่าทุกของอังอ น, นิจจานันต์ กองไก่ธรรมธาโรกีสร้างเป็นโลกอนุที่สมมตมาก่อนนั้นจะเป็นปรมัตาเราจะค้นคว้าปรมาทนั้นอะไรเป็นอะไรไปหรือปอดหรือไส้น้อยไส้ใหญ่ที่รัดดึงตึงกันว่าทั้งที่เส้นเอ็นหาโรคมาหาโรคเอ็นอันนั้นเราจะรู้ว่าเส้นเอ็นทางานเพื่ออะไรเอ็นนั้นมาจากไหนเอ็นเส้นน้อยเส้นใหญ่ เช่นใหญ่นั้นจะปรับุจระดึงปรงุงประไว้เช่นอธิบุตรขบุตรข้าง น, น้อัข้างใหญ่เป็นที่พื้นฐานงานในธรรมชาตุโตจีนที่เป็ส่วนหนึ่งของร่างกายของบุคคลอันนั้นคนหญิง้นชายคนใดก็ตามอาจจะระดึงไว้เป็นตัวสัตว์เม้สัตว์เบรสัตว์ก็อาจจะมีเอ็นและกระดูกเช่นกันติดต่อไว้กับดูกสัตว์เบลสัตว์นี่เราที่ไม่ใช่เบลสัตว์เป็นพื้นฐานมนุษย์ผู้หนึ่งที่เขาสร้าง หรือเขาที่กระทำมาให้เราที่จะได้มีความารู้สึกในฐานะเป็นบุญหรือเป็นต้นทุนของเขาเจ้าของเขาที่ประดับบูชาประพุธิพระธรรมอรหันต์ภริยาสงั์นั้นผูนน้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบเป็นอรหรันต์ชิมอาวัสติเลย ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทุโธมชนวนหลงพระองค์นั้นเกิดมานะชาติไหนทั้งพะระปเจ ก, กโกพธิญาณเจ้าพุทธเจ้าหรืออรหันตเจ้าล้วนแต่เป็นผู้สร้างบารมีเกิดมาไม่เป็นผู้ที่ให้เวลาโงหินเคลื่อนเสียไปหรือไม่หลงไหลให้อยู่ในโลกกระทโลกกระทนั้นที่เราผ่านพ้นมาทั้งอะไรแล้วก็ไดโลกกระทำนั้นที่เราที่หนุม ตัวของเราอยู่ที่ว่าโะการทาไป ส, สรรเสรและเน้นถานั่นน ะ, อ, ะอันที่มีมวลมนุษย์หมูสัตว์อาศัยอยู่เพื่อนประถิในเพราวถ้าเราทําดีหมูสัตว์นั้นก็ว่าจะดีถ้าเราชั่วทําชั่วหมูสัตว์นั้นก็ว่าจะชั่วไปถึงตัวของบุคคลผู้เป็นเจ้าสังขารทําสังขารสมมุติมาแล้วเป็นญา ต, ติรุปัจจุบันเขาก็ว่าเราชั่ว ถึงฐานะเราไม่ดีถ้าเราดีเขาก็ว่าเราดีอันนี้ถือว่าสัญญาเสินนิมภะเป็นโลกธรรมส่วนหนึ่งการมนุษย์หรือสัตวระหนั้นอานจะไม่ทุ่งยินดีด้วยปาตตนาถึงว่าดีกว่าตาำถ้าเราไม่ทําความดีจะดียังไงได้ถ้าเขาไหวาชั่วเราไม่ทําความชั่วมันจะชั่วยังไงได้เราจะชิดอุบายปัญหาอันนี้ให้เสร็จสิ้นไปโลกธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่เราบลูกบูสัต์นั้นให้หล่งเชื่อหลวงไหลไปตามอารมณ์นะั้นนะไม่ใช่ว่าหวนทางและหวนทางนั้นหมายถึงว่าเราทำประพฤติรม่มว่าจำแต่ไม่ได้ผู้ภาาสาวพัฒมีสีขาวอันที่จะพึ่งขาวด้วยท่าราสางคือจักษุท ว, วทวารใบทวารมโนทวารจิตใจสะอาด ที่ไม่ยีดมันเถอนมันในสิ่งที่เป็นบาปนะฮนถึงกรรมนั้นๆถึงจะมีติดอยู่ในวุระจิตใจแล้วถึงกายแล้วก็วตามวาจาแล้วก็วตามอันที่วาจาไม่เป็นสุภาพสิขไม่ใช่วาจาเป็นของบัทชีวาจานั้นนั้นอาจจะเป็นที่รคชักหรือคันหยาิจนราบไปเพลเจอวาจาสอดเสียทรยงให้เขาเตะตาเ จ, จ็บกายเพราะวาจาติดเช็นั้นนั้น อันที่เป็นโมหะหรือโมฆะไปอันที่เป็นวาจาไม่จริงกับบุคคลพวกที่ไม่มีศิลประจํากับร่างกายสังขารนั้นระพฤติที่พรหมจัรย์ให้เกิดขึ้นแพร่แผนผู้ที่อยู่ในพุกขีหรือุกขีด้วยหมระขณะอันที่ไม่ห่างจากหมูะขณะจะมาฝึกตัวหรือของตัวนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเช่นนั้นเบดร้อนอยู่ อันจะมีบทภรรยารืสามีพี่น้องครองฝ่ายหรือเพื่อนสัตว์นั่นอันธุรกิจอันหมูสัตว์จะทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ตามปกติทุกวันไปสุบสิบไปก็มีทั้งได้และเสียมแม้ได้มาแล้วก็เสียเสียไปแล้วก็ได้เป็นอุบายของที่ว่าการหาเลี้ยงชีพหาทรัพย์เป็นปัจจัยอันจะมาหนูเครียจุนอัตภาพ สนนั์นั้นอันจะตกอยู่หลงอยู่ด้วยการที่เพราะว่าราบเป็นปัจจัยสิ่งที่หนึ่งว่าต้องกั้นอาบของไท่นอคือเงินทอ ง, องก่อนแก้วแบกแสษสิ่งวัตถามณีสินด า, านั้นไม่ใช่ว่าเป็นของจริงไม่เหมือนก็ว่าจริงอริยสัจหรือจริงบัญญัติอริยสัจสี่แต่ทะลุได้นีทุกมีสมุทยัยทุกเป็นแห่งทีทุกแตก่ลึสมุทยัยเป็น ทุกคือเป็นเหตุให้เป็นทุกข์สมุทัยเป็นเหตุที่ระยงให้ทุกเกิดเพื่อเป็นใจเล่ารอดทาให้เป็นผลสมุทัยนีโลภนั้นเป็นเรื่องดับทุกข์นี้โรภเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้จิตหรือสลบให้ร่างกายสลบลงไปจัดเป็นเนโรธหรือเป็นสภาวะแก่ร่างกายไม่ตายแต่ว่ามีโลภเข้าไปไปไปุนหรือไปเฉลียอยู่ใน ส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายของมนุษย์ผู้หญิงชายบุคคลคู่ไดในโลกอันเป็นผลสมบัติที่เข้าไปกำจัดความทุกข์วายทำให้หูดับหูตาดับไปกายดับไปแต่กายไม่ดับหูไม่ดับแต่ว่าสถิตอยู่คือเหมือนกับว่าสงบในการที่ไม่เกี่ยวข้องต่อสิ่งนั้นๆในการไม่ได้ยินได้ฝังเสียงที่ดีหรือไม่ดีก็าตามหูก็ดับ ตาก็ไม่มองเห็นว่ารูปนั้นนั้นสวยหรือไม่สวยงานดัง น, นี้ตาอาจจะเป็นเหมือนกับว่ารูปเปบขาไปแล้วตานั้นจะอยู่ในนิโรธแต่ว่าดับกายเหมือนกายกายจะนิ่งอยู่เหมือนกับว่าอาจจะท่องเที่ยวอยู่อัศสาวปัสสาวะรู้ไม่ท่องเที่ยวก็ตามถือว่าอาจไม่ดับเพราะว่าพระธรรมนั้นนั้นเราได้แล้วพระธรรมจะไปรัดุนหรือแี่งกวนนสภาพร่างกายของเรา เป็นต้นฐานว่าพระธรรมจะทำทั้งจิตของบุคคลนั้นสงบแล้วความรู้แห่งสุขหรือทุกข์นั้นนั้นอาจจะพารนารู้ได้รู้อดีตบุเพกตาบุยะตารู้ชาติปัจจุบันที่เราจะพิยะเหยหุมไปที่ไหนรู้สภาพมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายด้านจิตใจหรือความชั่วความดีอันจะทำให้เป็นในรอบรู้ไปเช่นนี้เป็นปัญญาส่วนหนึ่งของพระธรรม พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนอันวิจิตรหรือประเสริฐเมื่อกลัวคำสั่งสอนใดๆที่ของเทวดาอินพรหมผู้ที่รักษาคําสั่งสอนนั้นก็อาจจะเอาบทคําสอนนั้นมามอบให้แจกคุณบุตรนั้นเป็นมรดกโลกเห็นเป็นเช่นนี้อาจจะเป็นมนุษย์กายสุขหรือเป็นมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แล้ล ว, ว่าเป็นมนุษย์ที่ อัศจรก็มนุมมษย์อัศจร น, นั้นจะเปยนผู้มีหน้าที่การงานประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในการที่ผลความเพียรรังที่อย่างสัตว์ที่จะให้เกิดไปแม้กายสังขารของเขากะจะประทบความเหน็ดเหนื่อยมน่อยล้าใดๆก็เขาจะมีขันติธรรมสร้างขันติธรรมคือความอดใจให้เป็นพื้นฐานไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิน้น ทำให้ความเพียรแก่กล้าไปทุกวันทุกคืนทุกเวลาไปทุกตีทุกเดือนเป็นเช่นนี้เรียบประดัติว่าเหมือนก็ว่าบุคคลผู้ที่จะสร้างพลังกายสังขารของตอนให้เป็นสังขารที่มูนิธิของพระอริยเจา้จาพุทธเจ้าผู้ที่ล่วงพ้นจากความทุกข์ไปแล้วพระองค์นั้นก็เกิดมาอยู่ในสงสารทั้งพระอารหรันแม้ยังไม่เป็นอรหรัน จะเที่ยงเกิดจะตายเป็นมนุษย์บุคคลนั่นนั้นก็อาจจะเป็นผู้ที่กระทําบําเพ็ญศีลธรรธิปัญญาให้เจ้กล้าไปเช่นนี้พระองค์จะกดกายอืกดความเจ็บกดความเหนื่อหน่วยไม่ละกดน้อนกดหนาวกดเหนียวกระหายกระบากกะกกรรมในอยู่ในสักจกสิ่งหรือปัญจศิ่งที่เอาศิลงนั้นเข้าไปครองในสังขารร่างกายให้เป็นมูงค่าสิลงนั้นที่จะ ทำให้คมไว้แใจากล้าไปได้เพราะความสักดิ์เจ้ า, าไปทุกทีโยนความดีที่อยู่ไม่ได้เพราะความดีนูลของภริ ย, ยานั้นนั้นเทวดายื่ยมชมรสสุข ส, สุดทั้งหลายก็าอาจจะมาประสศึก ป, ประสาทให้หรือทำให้กระแสจิตของเรานั้นหมดมนวลทิ้ไปนี่คือว่าการบุคคลจะเดินหนีจากอุยลเพราะผลความเพียรของตนไม่หยุดยั้ยง หนี้ไปเรื่อยๆนี้ไปเรื่อยๆตามกำวังวันและคืนเป็นผู้ไม่ประมาทในสังขารของเขายอมทำของเขาให้สะอาดหรือหมดจดหรือไปถึงจะมีราชีมาแล้วทําไปอย่างอย่างนั้นอันนี้อาจจะเป็นว่าปัญหาของพระธรรมหรือปัญหาของพระอริยพุทธพระองค์นั้นนั้นแม้มีพระองค์ที่ ชื่นชมไปแล้วเป็นมนุษย์จริงหรือพระจริงไปแล้วออกจากกองทุกข์ในวัฏสงสารไปแล้วพระ อ, องค์ก็จบคำรบไปสู่เมืองที่ผ่านไปสู่ว่าเมืองแก้วแล้ ว, แ ล, วแล้วด้วยคือพระประยูรผ า, ไ ม, มาไม่มีชาติเกิดไม่มีชาติแก่ไม่มีชาติจะม า, ะามการเจ็บลดวความตายความทุกข์ความยากความสบายหรือไม่สบายพระ อ, องค์ไม่มีแล้ว พใดๆพบน้อยพบใหญ่พบที่อยู่ในที่เป็นพบสามพบสี่พบยมบรอดเทมรอดรูทมรอดอาโรบสี่พระองค์ใม่อยู่แล้วไม่เกินเป็นสัตว์ตัวใดเลยตัวหนึ่งเล็ดตระกัลหมูสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์มดดามดแดงมะแรงอะไรก็าตามที่เกอราวศนสั์เสื้อทั้ ง, บบ ต, าางาตามรอส่วนอุตตามกลางก็ตามพระองค์ชื่อไม่เอาเป็นสัตว์ตัวยาวตัวสั้น ตัวหี้ตัวพีมีกระดูกและไม่มีกระดูกก็องไ ม, ไม่เอาอยู่ในภกนั้นไม่ไปกาะเกลือหรือเสียเท้าสองเท้ากว่าตามหรือเท้ามากหรือไม่มีเท้ากว่าตามดังนี้ถือว่าหมดในการที่ยวอยู่ในโซสาราวดในการที่บุคคลผู้ที่มีต้นทุนผู้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ยอมกระทำจะเอาคุณงามความดี บรางบรมีของตนที่เป็นพื้นฐานจะมีความทุกได้ให้รู้จักบาททุกอย่างนี้นั่งเดินเราก็เหมื่อ ย, อยนื่ยเราก็อาจจัดต่อสู้ไปดังนั้ น, น, นหัวหวอยเราก็จะมีความอดกลั้นด้วยความพอดีในปัญญาธรรมของเราหรือร้อน ดีหรือหนาวกว็ดีและตลอดทุกสิ่งอย่างเราจะตทองทานะมันจะเจ็บหรือเจ็บบ้านเอวหรือเจ็บกระดูกหรือข้อแข้งขาหรือหูอตายจุดสุดใดๆเราจะให้มีพระกาลังไม่กวันไหวตาสิ่งนั้นถือว่าการอ่านเป็นผู้บำเพ็ญสิ่หรือบำเพ็ญธรรมที่จะทำให้คุณทาเก่กาผลคติธรรมก็จะมีคติใหยๆ สั้นติจนก ว, ว่าเพื่อนมนุษย์ัตว์บุคคลบุไดจะอดต่ไม่ได้อันั้นเพื่อการฝูกหัดแม้มีพระพุทธเจ้าเป็นประทานรู้กามเจ็บก็ดีเราก็อาจจะไม่พูดเจ็บอะไรก็ตามรู้ว่าความผลการเจ็บแค่นี้เจ้าความที่เข้าประทานความเจ็บจะให้กลัวว่าหายุวามเจ็บไปจัวดับความเจ็บความแจ่ไปเพราะผัก บา ร, รมีแห่งคุณธรรมของบุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมดังนี้ถือว่าเป็นคนผู้มีปัญญาดีจะสร้างบารมีหรือคุณงามความดีให้ผลสิงยิ่งๆเพิ่มเฉียบขาดหรือเป็นอันาจในตัวของสังขารของเขาอันจะมีความดีนั้นด่านไปหรือช่อนไปพราความดีอันจะแจ่ไขตัวหรือบุคคลผูอื่นให้รู้เป็นพื้นฐานดังนี้จัดว่าเป็นมนุษย์ที่ชอบ ลูกมนุษย์ที่ศึกษาเป็นผู้ฝึกแลหัดในการที่การจะหัดมีสิน้นหัดทำเพยียงหัดเอาทุนงามความดีฝุกดังนี้จึงมีภาคคาถามบริบาบมันอุริษะธรรมาสารถีมนุษย์เทมนุษย์เทวมนุษย์สานัง <c oughs> มนุษย์แทบพ ย, ยดาเป็นผู้ฝึกตนเป็นสารถีผู้ฝึกตนไม่มีใครมาฝึกให้ คนจะดีจะชั่วนี้ก็ถือว่าตัวของตัวอฝึกตนเมื่อตนเป็นยังไงเตนมีอะไรเป็นจริงสิ่งที่ว่าเกี่ยวข้องต้องอัด จ, จะฝึกตนให้หนีจากสิ่ง น, นั้นเพื่อให้เป็นระดับที่ว่าบรรยากาศมีพลังความดีประคับอยู่ในสังขารร่างกายของเราการจะฝึกแห้รู้ว่าเจ็บเช่นนี้แก่ชนนี้ตายชนนี้หรือยังไง าตายนอกตายในที่ใดส่วนหนึ่งของพระธรรมตายสังขารนั่งกายผู้ตายสงบอยู่ทั่วข่าวหรือก็าตามรู้ดับเสียความร้อนทั่วข่าวลดความหนาวทั่วข่าวความหย็นทั่วข่าวการได้ยินเกิดได้ยินเสียงอันขึ้นไม่ดีขึ้จะดับลงไปได้ ย, ยินเสียงนั้นนั้นทไมเอ า, เอาขอให้เราให้ได้ยินเสียงคาเสียงคําทั้งสอนของพระผู้มีพระภา บบรูปของสปุริสายเจ้าภาริยาเจ้าโปรทิศเจ้าทั้งโปรนั้นเป็นเสียงยอดเป็นเสียงไกย่ยสิ์จะทําให้เสียงเพิ่มเสียงของเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีถึงเอาคุณงามความดีเกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ขอให้เรายี่งศึกษาเอาไว้เพื่อมาให้ยอดทอต่อในการที่เราทําเพียนที่จะให้ความเพียนของเราขยเกลเจ้าต่อไปที่จะประพฤติด ไ, ได้เช่นนี้ น้าเอาเกียรก ต, ต่างที่ดีใส่เราจะสามารถกันได้แเว่าพื้นฐานผู้รักษาพระพุทธปฏิบัติธ ร, รจะทําให้ธรรมเกิดขึ้นในสานานของเรารู้เห็นสิ่งนั้นนั้นไม่ผิดนิปริตไปนี่อาจจะผ่านไปแห่งไทยหรืออันตรายนั้นนั้นเมื่ออันตรายอุปกิเกเรจะมาสร้างความเดือดร้อนเขามีหน้าที่สร้างความเดือดร้อนบุม๋มเมื่อละสร้างความหิวสร้างความสหาย สร้างความอยากทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นในนาที่อย่างนั้นเราจะเอาคุณพระอริยะพุทธองค์นั้นตั้งอยู่ในขันติธรรมสร้างขันติธรรมสร้างสัจะธรรมสร้างการอดทนต่อไปในสิ่งอันนั้นให้มีเกียรติในสังขา ร, ร ก, กายมีเกียกติาลสร้างธรรมรู้บอกเห็นธรรมเราจะมีมาพ้นมันการรู้พระธรรมเพราะฉะนั้นเราขอในวันนี้ เพื่อมาให้อบาบุกนี้เือให้ได้คุณงามความดีสมศรัทธาให้เกีกล้าสมปัญญาให้บังไวเสมจิตใจให้สะอาดขออานาจแห่งพรัฒนาใจทุตตะองคู้ปรรณูผ่านไปเมื่พระองค์ุณพระองค์คำสั่งสอนเป็นตัวแทนต่อพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐอันที่พระธรรมอะไรที่เป็นพระธรรมที่ส่วนอนโลบตรงเข้าสังขารร่างกายจิต หาณให้สะอาดคือจักสุขหนึ่งจักสุขทวายกายถวานมโนทวานให้แจ่มใสเพราะฉะนั้นที่จะเปลี่นพันตนาใยอริยสงฆ์ของพุทธองค์พระป ร, ร, รินิพานไปแล้วนานหลายชั่วนิรันดรพระองค์นั้นมากกว่าไม่เห็นไม่สายรอมทั้งพระโพบรมภพธิสัตว์ผู้มีปริีอันยิ่งใหญ่ พระองค์นั้นที่อยู่สถิตในความามสิอาริยะเมตไตรที่จะเอารูปหลานไปถึงสถานที่คนจากทุกในโลกีที่จะเห็นคุณงามความดีของพริยะที่ทานประทานมาอยู่้าคผ้าแดินบินบนสวรรค์ที่ไหนแม่น้ําห้วยหนอง้องเบิงทั่วไปลและอาเรียโททิสัตอันนั้นเคลื่อนกันรปรโมโททิสัตว์ทั้งสิบพระอง ที่จะนำมาช่วยเรือปลกเร้นหลานที่ททำให้การดูดีจึนดีสบายดีบทภัยเร็นและกรรมกลุ่ที่จะเป็นพรสิคืออายุวันณะสุขภาพร่างกาิที่ดี